คิดว่าเมื่วานนี้นกับสติสมาธิป้องเป่าท่าหัวได้นานทนะ่านก็ก็เลยออกมาเดินข้างนอกจับตัวป้อเป่าหัวนะคะเดินเดินสบายคนะท่านเมื่อช้านี้หลังจากเดินนานมากนะคะเดินอยู่กับความฉลาดของตัวเองเห็นความว่างเปล่าว่าตัวเองเก่งจังนะสามารถเดินไม่แต่ไปไหนเลยสติอยู่กับเน้อกับตัวตลอดนะคะ เดินเหมือนกระเสืออยู่ในถ้ำไปเท้าเรานี่คือหลวงพ่อบอกว่ามีฐานต้องมีฐานเราฐานทุกก้าวที่เราเดินเรามีสติเริ่มกูเราฉลาดก็เกินในที่สุดเริ่มเมื่อยตรงน่องก็เลยเปลี่ยนคิดเราจริงๆเราก็สร้างกรใม้ ก, กับตัวเองมานานเกินหกสิบห้าปีนะคะสร้าง Mm hmm. คิดว่าตัวเองไปสร้างที่ที่เถียงหลวงพ่อตลอดอะ่ะก็เพิ่งมารู้ว่ากลไกของหลวงพ่อเทียนตรงนี้ที่หลวงพ่อได้นำมาสอนเป็ น, นกลไกที่ไม่น่าเชื่อว่าสามารถที่ทาให้ให้ความคิดของเรากับคืนได้ไปสู่ของการเป็นปกติ เราอยากได้เห็นว่าไอ้ที่เราฉลาดนะมันคือความทุกข์เราปฏิเสธมันตลอดว่ามันไม่ไม่มันไม่มไมทุกข์มันไปของมันโดยธรรมชาติมันมาตั้งแต่เกิดแล้วเราก็สะสมมันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราได้เห็นว่าที่พอคนบอกให้เราว่าเออโง่นะเราจะโกรธตลอด น่าจะเป็นความแต่ถ้ามีคนบอกว่าเราฉลาดเราจะดีใจจริงๆแล้วเราโง่มากนะที่เราไม่เคยเห็นตัวเองโง่เลยจนรู้ว่าตัวเองสร้างมีแต่ความคิดจะสร้างสร้างสร้างสร้างทั้นั้นเลยกรรมทำเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองทำให้แกตัวเองเราจะได้รู้สึกแล้วว่า ก็เลยเดินกระถางถูกระถางถูปเดินก็เลยรู้สึกเบาโล่งดีก็ไม่มีเหลืออะไรเหมือนกับเราได้ทิ้งก็อยู่ปกติมันก็เดินไปเดินมามันก็ปวดเมื่อยอีกมันก็ทุกสิ่งที่ได้ในการเดินและการวิเคราะห์ช่วงเช้าทําให้รู้ว่าการบําบัด ของการเจ็บในร่างกายนี้จะง่ายกว่านะคะเมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วเราก็สลัดไปทุกเกิดตรงไหนแล้วก็หับตรงนั้นแล้วเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่หลานนะมันไม่ใช่ฉลาดทํามันโ <c oughs> งเพรา่าถ้าถ้าโมนะคะถ้าเพิง่งจะรู้ว่านัาง่งถ้าโมนี่รู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรสบายที่เราไม่ต้องไปยึดไปถือมันนึกว่าตัวเองมีสติ นะคะมีสวัทธที่ที่นั่งอยู่เบาว่างแต่พอได้เห็นเขาตาที่เห็นนะคะพอตาเห็นปุ๊บจิตนี้ไปกับความเปรียบเทียบออกมาทันทีเลยว่าทําไมนะคนที่นี่มันไม่เหมือนคนไทยที่เมืองไทยเอ้ยทำไมมันจะเปรียบทําไมละ่ะ เข้ามานี่เขาเดินแล้วเดินแบบว่าแข็งแกร่งไม่มีความนับถือทั้งๆ ท, ที่เป็นคนไทยจิตของมันจะจะบอกนะว่าทำไมทุกเป็นอย่างนั้นมันไม่น่ายอยู่เลยที่นี่แต่นี้เกิดอากติขึ้นรู้สึกว่า เพ่งเอ๊ะทำไมล่ะในขณะที่เราอยู่นี่เราเจ็บได้ยังไงเราจะกลับไปที่ไหนเราจะกลับไปเมืองไทยนี้มาถึงตรงนี้แล้วเหรอไม่ใช่ไอ้ไยามจะเพ่งมาได้เห็นในปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันหนักพอๆกันเพราะเราไม่ต้องไปตามมาคิดเพราะช่างเขาเถอะ เขเป็นอย่างนั้นมันเกิด อ, อย่างนั้นก็เลยมันมีความสุกว่ามันเหมือนคนโง่ถ้าโง่ที่ดีไม่ต้องคิดเห็นแล้วก็แล้วไปเดินแล้วเมื่อวันนี้ตอนช่วงบ่ายนี้มามาเดินแล้ววิเคราะห์ว่าการเดินแบบโม่โม้นั้นดีมากคนะ่ะท่านเบาไม่มีกังวลจะเดินถอยหลังก็ถอยแบบคนโง่ไม่ต้องกลัว ชนซึ่งมันจะบอกมันูก็ไม่ไม่เคยคิดตัวเองจะโง่โง่แล้วสบายเท่านี้ที่ได้นะคะก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆน่าจะขอบคุณคนมาเยี่ยมเลยนะถ้าไม่มีถ้าเขาไม่มาเราก็จะไม่เห็นความรู้สึกตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่เห็นแต่ว่าตัดไม่ได้ นี่คือเราค้นนึกถึงแต่ความไม่สบายกายนั่งนานๆแต่ความไม่สบายตา ม, มีแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นนิดนึงแต่บอกตั้งนานแล้วเพราตอนนั้นยังไม่มีดวงตาบอกเราก็ไม่เชื่อก็ดันทุรังไปเรื่อยๆมันได้เนี่ยแหละได้ปัญญาขึ้นมารู้ว่าตัวเองโง่เนหลายหลมากที่สุดแล้วนั่นนะเอ่ถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็โง่ไปอีกนานนึงกันนะแล้วรู้สึกว่าโง่แล้วจะเดินแล้วก็มองทุกคนอย่างมีความสุขทําไม เคยคิดว่าอยากปฏิบัติธรรมหลวงพ่ผู้ปฏิบัติธรรมตอนแรกคิดว่านะเมื่อเขาได้ถึงพระพุทธเจ้าแล้วสีหน้าเขาจะแจ่มใสแต่เท่าที่ดิฉันได้ปฏิบัติได้เห็นผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนก้มหน้าก้มตาขําเครียดไม่พูดจากับใครเลยสีหน้าไม่ผ่องใสนั่นคือผู้ปฏิบัติธรรมหรอจริงๆแล้วถ้าเป็นคนโง่ที่แบบว่า เห็นอะรยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นเขาก็นั่นคือที่เห็นวันนี้นะคะเขาเลยเท่าที่ที่ได้เห็นก็เลยได้มาแปลงปันว่วันนี้โง่จริงๆก็เลยรู้สึกมีความสุขอากที่นี่เขาเรยกว่าตามที่มาได้กล่าวไปเมื่อเย่เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์แล้วก็ไร้สาระอันนั้นแหละ มันเป็นการตั้งตน้วอันนี้คือปัญญาทางธรรมเขาเรียกว่าปัญญาทางธรรมคือเห็นคื อ, อะนะที่เมื่อวานมาพูดถึงว่าปัญญาทางโลกคือมันคิดแล้วมันออกไปชอบไม่ชอบมันช่งชอบช่างออกไปข้างนอก <c oughs> แต่ถ้าเป็นโลกุตละปัญญามาเห็นความคิดแล้วกลับมาดูสิ่งที่เกิความชอบความชังที่เกิดขึ้นในตัวเอง <c oughs> ตรงนั้นเขาเรียกว่าเกิดปัญญาปัญญาที่มันเห็น ที่เป็นปัญญาที่ถูกต้องต้องมาเห็นกับตัวเองแต่ปัญญาเห็นออกไปข้างนอกก็คือความพอใจไม่พอใจนัมันไม่ใช่ปัญญาที่ถูกต้องอ น, นะคนก็จะเป็นทุกข์เพราะปัญญาตัวนั้นแหละปัญญาตัวนั้นได้สร้างกรรมแต่ปัญญาตัวนี้ตัดกรรมแต่แต่เมื่อก่อนเราไม่พยายามเราจะพยายามชนะมันใช่ไหม <laughs> เออยาก จ, จ, จะนั่งห <c oughs> อ น, นั่นแหละมันก็เลยทําให้เราทุกข์กับความคิดนะอ่าต่อไปเอาคนข้างหลังบ้างยายชีฟองยายชีฟองเป็นยังไงโมนี <clears> Thank <throat> you.